พระไตรปิฎกเล่มที่สิบพระสูตรที่หมหาโควินทสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิตจกูดเขตพระนครราชคฤครั้งนั้นคนทันเทพบุตรนามว่าปัญจสิกขะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ขอกราบทูลข้อความที่สดับมาจากพวกเทวดาชั้นดาวดึงกราบทูลเรื่องราว แด่พระผู้มีพระภาคดังนี้ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันก่อนนานมาแล้วในวันอุโบสถที่สิบห้าในราตีมีพระจัน์เพนวันปวารณาเทวดาชั้นดาวดึงทั้งสิ้นนั่งประชุมกันในสุธรรมมาสภาเทวบริษัทเป็นอันมากนั่งอยู่รอบๆและท้าวจัตุมหาราชนั่งอยู่ในสีทิศ ครั้งนั้นยังมีเหล่าเทวดาผู้ประพฤติพรมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคแล้วบังเกิดในหมู่เทวดาชั้นดาวดึงไม่นานรุ่งเรืองล่วงเทวดาเหล่าอื่นด้วยวันณะละยศเพราะเหตุนั้นเทวดาชั้นดาวดึงทั้งหลายย่อมปลื้มใจเบิกบานเกิดปีติและสมนัสว่าท่านผู้เจริญกายทิพย์ยอมบริบูรณ์หนออสุรกายย่อมเสื่อมไป ถ้าแต่พระผู้เจริญครั้งนั้นท้าสักกะจอนเทพทราบความเบิกบานใจของเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงและบันเทิงตามด้วยคถาเหล่านี้ว่าดูก่อนท่านผู้เจริญเทวดาชั้นดาวดึงพร้อมด้วยพระอินทย่อมบันเทิงใจถวายน้ำมศการพระตถาคตและความที่พระธรรมเป็นธรรมดีเห็นเทวดาผู้ใหม่ๆมีวันณนะมียศ พระพุธกรมอาจารย์นในพระสุกฏแล้วมาในที่นี้เทวดาเหล่านั้นเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระปัญญากว้างขวางบรรลุคุณวิเศษแล้วรุวง่งเรืองล่วงเทวดาเหล่าอื่นณที่นี้ด้วยวันนะด้วยยศและอายุเทวดาชั้นดาวดึงพร้อมด้วยพระอินเห็นเช่นนี้แล้วยอมยินดีถวายนมัสการพระตถาคต และความที่พระธรรมเป็นธรรมดีท้าสักกะจอมเทพตรัสเรื่องพระคุณตามที่มีจริงแปประการของพระผู้มีพระภาคให้เหล่าเทวดาได้ทราบตามจริงดังนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูล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 นี้ควรเสพไม่ควรเสพนี้เลวประนีตนี้มีส่วนเทียบด้วยธรรมดำและธรรมขาวพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงบัญญัตินิพพานคามินีปฏิปทาเพื่อพระสาวกทั้งหลายไว้ดีแล้วพระนิพพานและปฏิปทาย่อมเทียบเคียงกันได้ดุดน้ำในแม่น้ำคงคากับน้ำในแม่น้ำยมุนา ย่อมไหลคลุกละกันได้ฉนั้นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงได้พระเสขะผู้ดารงอยู่ในปฏิปทาและพระขีนาศผู้อยู่จบรมอาจา ร, รย์เป็นสหายเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเบาพระไทยประกอบความเป็นผู้ยินดีอยู่พระองค์เดียวอันหนึ่งลาบความสรรเสริญ เกิดแก่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเห็นจะตลอดถึงกษัตริย์ทั้งหลายที่ยินดีอยู่แต่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นปราศจากความเมาเสวยพระกยายารสำรับประโยคนี้น่าจะเป็นจำนวนที่หมายถึงไม่ทรงเพลิดเพลินยินดีเปรียบเทียบว่าเมื่อได้ลาบสรนเสริญมากมายถึงปานนี้กษัตริย์เหล่าอื่นย่อมยินดีอยู่แต่พระผู้มีพระภาค ทรงเฉยไม่ได้ยินดีด้วยไม่ได้ลุ่มหลงไปกับล่ามยศสันเสรเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นมีปกติตรัสอย่างใดทำอย่างนั้นทำอย่างใดตรัสอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากความคลางแคลงมีความดำริถึงที่สุดด้วยพระอัธยาศัยเป็นเบื้องต้นแห่งพรมจรรย์ เราไม่เคยเห็นพระศาสดาผู้ประกอบด้วยองคุณเช่นนี้ทั้งแปดประการนี้ในอดีตกาลเลยถึงในบัดนี้ก็ไม่เห็นนอกจากพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท้าศักกะจอมเทพทรงยกพระคุณตามที่มีจริงแปประการของพระผู้มีพระภาคขึ้นแสดงแกเทวดาชั้นดาวดึงเพราะเหตุนั้น เทวดาชั้นดาวดึงจึงปลื้มใจเบิกบานเกิดปิติและโสมนัสยิ่งกว่าประมาณในเทวดาเหล่านั้นบางพวกกล่าวว่าถ้าพึงมีพระพุทธเจ้าสี่พระองค์อุบัติขึ้นพร้อมกันบางพวกกล่าวว่าพึงมีสามพระองค์พร้อมกันบางพวกกล่าวว่าพึงมีสองพระองค์พร้อมกันคงจะเป็นการดีมีประโยชน์ต่อเทวดาและมนุษย์เป็นอันมาก เมื่อเทวดาทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ท้าวสักกะจอมเทพได้ตรัสกับเทวดาชั้นดาวดึงว่าข้อที่พระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์พึงอุบัติคือถือกำเนิดในโลกกธาดเดียวกันไม่ก่อนไม่หลังนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ดูก่อนท่านผู้นิรทุกทั้งหลายทางที่ดี พึงขอพระผู้มีพระภาคพระองค์ปัจจุบันให้ทรงมีพระอาภาน้อยมีพระโรคเบาบางพึงดำรงอยู่ตลอดกาลนานข้อนั้นก็จะพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้งนั้นสนังกุมารพรหมได้ปรากฏในหมู่เทพเหล่าเทวดาได้สรรเสริญเรื่องที่เท้าสักกะตรัสถึงพระคุณแปประการของพระผู้มีพระภาคเท้าสักกะจอมเทพทรงยกพระคุณตามที่มีจริงแปประการของพระผู้มีพระภาคขึ้นแสดงด้วยเหตุนั้นสนังกุมารพรหมปลื่มใจเบิกบานเกิดปิติและโสมนัส เราได้สดับพระคุณตามที่มีจริงแต่ประการของพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นสนางกุมารพรหมนิมิตอัตภาพใหญ่ยิ่งเขาะขึ้นยังเวหาตนั่งขัดสมาธิอยู่ในอากาศที่ว่างแล้วเรียกเทวดาชั้นดาวดึงมาว่าดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นผู้มีพระปัญญามากได้มีมาแล้วสิ้นกาลนานเพียงไร ดูก่อนท่านพูทเจริญเรื่องเคยมีมาแล้วพระราชาทรงพระนามว่าที่สัมบดีพรามนามว่าโควินทะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าที่สัมบดีสสำหรับคำว่าโควินทะไม่ใช่ชื่อแต่เป็นชื่อตำแหน่งหรือฐานันดรศักดิ์ของผู้ดารงตำแหน่งปุโรหิตเช่นเดียวกับชานุสสโณนิพระเจ้าที่สัมบดี มีพระกุมารพระนามว่าเรนูเป็นโอรสมานพมีนามว่าโชติปาละเป็นบุตรของโควินทพรามคนแปดคนเหล่านี้คือพระราชโอรสพระนามว่าเรนูหนึ่งโชติปาละมานพหนึ่งและกษัตริย์อื่นอีกหพระองค์เป็นสหายกันดังนี้ครั้งนั้นโดยวันคืนล่วงไปล่วงไป โควินทพรามได้ทำกาละคือสิ้นชีวิตเมื่อโควินทพรามกระทำกาละแล้วพระเจ้าที่สามบดีทรงพระรำพันว่าสมัยใดเรามอบราชกิจทั้งปวงไว้ในโควินทพรามแล้วร่างพร้อมด้วยเบนจกกา ร, รมาคุณบัาเรยอยู่บัดนี้โควินทพรามถึงอนิจกรรมเสร็จแล้วเมื่อเท้าเธอดำรสอย่างนี้แล้วเรณูราชโอรส ได้กราบทุนพระเจ้าที่สัมบดีว่าขอเดชะเมื่อท่านโควินทพรามถึงอนิจจกรรมแล้วพระองค์อย่าทรงกันแสงนักเลยโชติปาละมานพบุตรของโควินทพรามยังมีอยู่เขาฉลาดกว่าทั้งสามารถกว่าบิดาบิดาของเขาสั่งสอนอัฏเหล่อใดแม้อัะเหล่านั้นโชติปาละมานพก็สั่งสอนได้เหมือนกัน ลำดับนั้นพระเจ้าที่สัมบดีจึงตรัสเรียกบุรุษคนหนึ่งมารับสัง่งให้ท่านโชติปาลมานพเข้าไปเฝ้าโชติปาลมานพเข้าไปเฝ้าพระเจ้าที่สัมบดีถึงที่ประทับ พ, พระเจ้าที่สัมบดีตรัสว่าขอท่านโชติปาลมานพจงสั่งสอนเราอย่าบอกคืนในการสั่งสอนเราเลยเราจากแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนบิดาจากอภิเสก ในตำแหน่งโควินทพราหมณ์โชติปาลมานพ์ทูลรับสนองพระเจ้าที่สัมบดีโชติปาลมานพผู้อันพระเจ้าที่สัมบดีทรงอภิเสกในตำแหน่งโควินทพราหมณ์ทรงแต่งตั้งให้ดํารงตำแหน่งแทนบิดาแล้วก็สั่งสอนอัตถะที่บิดาของเขาสั่งสอนไม่สั่งสอนอัตถะที่บิดาของเขาไม่สั่งสอน ยอมจัดแจงการงานที่บิดาของเขาจัดไม่จัดแจงการงานที่บิดาของเขาไม่จัดมนุษย์ทั้งหลายกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้เจริญท่านโควินทพรามหนอท่านโควินทพรามหนอนามสมยาวว่ามหาโควินจึงเกิดมีแก่โฉติปาละมานพครั้งนั้นมหาโควินทพราม เข้าเฝ้ากษัตริย์หกพระองค์ถึงที่ประทับและทูลว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าที่สัมบดีสทรงพระชราแก่เท่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านว้แล้วใครจะรู้ชีวิตข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อพระเจ้าที่สัมบดีเสด็จสวรรคตแล้วพวกอมาตผู้สำเร็จราชการพึงอภิเษกเรนูราชโอรสเป็นพระราชาท่านผู้เจริญทั้งหลาย จงไปเฝ้าเรณูราชโอรสแล้วจงทูลว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นสหายที่รักที่เจริญใจโรปรานของท่านเรณูท่านมีสุขอย่างใดข้าพเจ้าทั้งหลายก็มีสุขอย่างนั้นท่านมีทุกข์อย่างใดข้าพเจ้าทั้งหลายก็มีทุกข์อย่างนั้นข้าแต่ท่านพระเจ้าที่สมบดีทรงพระชราแก่เท่าใครจะรู้ชีวิต ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อพระเจ้าที่สัมปตีเสด็จสวรรคตแล้วพวกอํามาตะผู้สําเร็จราชการพึงอภิเสกท่านเรณูให้เป็นพระราชาถ้าท่านเรณูพึงได้ราชสมบัติขอจงแบ่งราชสมบัติให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดกษัตริย์ทั้งหพระองค์นั้นรับคํามหาโควินทภรามแล้วเข้าไปเฝ้าเรณูราชโอรส ถ, ถ, ถึงที่ประทับแล้วทูลตามนั้น เรณูราชโอรสตรัสตอบรับว่าถ้าข้าพระเจ้าจักได้ราชสมบัติจักแบ่งให้ท่านทั้งหลายเมื่อวันคืนล่วงไปพระเจ้าที่สัมบดีเสด็จสวรรคตรเรณูราชโอรสได้อภิเษกเป็นพระราชาแล้วมหาโควินทพรามเข้าไปเฝ้ากษัตริย์ทั้งหพระองค์กราบทูลให้ไปเฝ้าพระเจ้าเรณูและทูลว่าอย่างทรงระลึกถึงพระดำรัส ที่เคยส่งสัญญานั้นได้อยู่หรือไม่ซึ่งเมื่อเดินทางไปก็ได้คำตอบว่ายัางทรงระลึกได้เมื่อครั้งจะแบ่งราชสมบัติให้ก็เห็นเพียงท่านโควินทพรามเท่านั้นที่สามารถทำได้ดีที่สุดพระเจ้าเรนูจึงตรัสให้ท่านโควินแบ่งมหาปัทตพีนี้ออกเป็นเจ็ดส่วนแบ่งให้กษัตริย์ทั้งหมดเท่ากัน ทันตปุรานครเป็นมหานครของแคว้นกาลินคะาโอตนนครเป็นมหานครของแคว้นอัสกะมหิตสตินครเป็นมหานครของแคว้นอวันตีโรรุ ก, กานนครเป็นมหานครของแคว้นโสจิระมิทิลานครเป็นมหานครแห่งแคว้นวิเทหะจำปานครสร้างในแคว้นอังคะพาราณศีนคร เป็นมหานครแห่งแคว้นกาสีพระนะครเหล่านี้ท่านโควินทพรามสร้างครั้งนั้นกษัตริย์ทั้งหพระองค์นั้นทรงดีพระทยัยมีความดำริบริบูรณ์ด้วยลาภของตนของตนว่าสิ่งใดที่เราทั้งหลายอยากได้หวังประสงค์ปรารถนายิ่งเราทั้งหลายก็ได้สิ่งนั้นแล้วหนอกษัตริย์เหล่านั้น ทรงพระนามว่าสัตตภูปรมทัตเวสภูพระรตเรนูทาตรถรวมพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระราชภาระเจ็ดพระองค์ในการนั้นครั้งนั้นกษัตริย์ทั้ง6พระองค์นั้นเสด็จเข้าไปหามหาโควินทพรามถึงที่อยู่แล้วตรัสว่าดูก่อนท่านผู้เจริญขอท่านโควินทพรามจงเป็นสหายที่รักที่จเจริญใจ โปรดปรานของข้าพเจ้าทั้งหลายดังท่านโควินเป็นสหายที่รักที่เจริญใจโปรดปรานของพระเจ้าเรนูเถิดขอจงสั่งสอนข้าพเจ้าทั้งหลายอย่าบอกคืนในการสั่งสอนข้าพเจ้าทั้งหลายเลยมหาโควินทพรามรับสนองพระดำรัสของกษัตริย์ทั้งหพระองค์นั้นครั้งนั้นมหาโควินทพรามจึงสอนพระราชาผู้กษัตริย์เจ็ดพระองค์ ผู้ได้มุรธาพิเศษแล้วที่ตนพึงสั่งสอนด้ยวยราชกิจและบอกมนกับพระมหาศารเจ็ดคนและเหล่าข้าราชบริพารเจ็ร้อครั้งนั้นสมัยต่อมาเกติสัพท์อันงามของมหาโควินทารามขอจรไปอย่างนี้ว่ามหาโควินทารามอาจเป็นพรหมอาจสนทนาปราศัยปรึกษากับพรหม ครั้งนั้นมหาโควินทพ ร, รามีความดำริว่าเกียรติศัพท์อันงานของเราอจรไปอย่างนั้นก็เราไม่ได้เห็นพรมไม่ได้สนทนาปราสายปรึกษากับพรมแต่เราได้สดับความข้อนี้มาจากพรา์ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เป็นอาจารยและป้าอาจารพูดกันว่าผู้ใดหลีกออกเร้นอยู่เพ่งกรุณาฌานอยู่ตลอดสี่เดือนในฤดูฝนผู้นั้น ย่อมเห็นพรมย่อมสนทนาปราศัยปรึกษากับพรมได้ถ้ากรนั้นเราพึ่งหลีกออกเร้นเพ่งกรุณาชาญอยู่ตลอดสี่เดือนในฤดูฝนเถิดครั้งนั้นมหาโควินทภรามจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าเรณูถึงที่ประทับกราบทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราบเข้าไปเฝ้ากษัตริย์หพระองค์นั้นเข้าไปหาพระมหาศารเจ็ดคน เข้าไปหาพัญยาสี่สิบคนผู้เสมอกันเล่าให้ฟังถึงเรื่องดังกล่าวและกล่าวว่าต้องการหลีกออกเร้นเพ่งกรุณาชาญตลอดสีเดือนใครๆไม่พึงเข้าไปหานอกจากคนนำอาหารไปให้คนเดียวครั้งนั้นมหาโควินทพรามจึงให้สร้างสันธาคารใหม่แล้วหลีกออกเร้นอยู่เพ่งกรุณาชาญอยู่ จนเวลาล่วงไปสี่เดือนแต่ก็ไม่ได้เห็นพรมไม่ได้สนทนาปราศัยปรึกษากับพรมจึงเกิดความท้อใจครั้งนั้นสนังกุมารพรมทราบความปริวิตตกแห่งใจของมหาโควินทพรามด้วยใจแล้วจึงหายไปในพรมโลกมาปรากฏเฉพาะหน้ามหาโควินทพรามครั้งนั้นมหาโควินทภา ม, มีความกลัวหวาดเสียว คนลุกชูชันเพราะเห็นรูปที่ไม่เคยเห็นได้กล่าวกับสนังกุมารพรหมว่าดูก่อนท่านผู้นิรุต์ท่านเป็นใครเล่ามีวันนะมียศมีสิริข้าพเจ้าไม่รู้จักจึงถามท่านจะไหนข้าพเจ้าจะพึงรู้จักท่านได้สนังกุมารพรหมตรัสว่าเทวดาทั้งปวงรู้จักเราว่า กูมานเก่าในพรมโลกเทวดาทั้งปวงรู้จักเราดูก่อนโควินท่านจงรู้จักเราอย่างนี้โควินทพรามกล่าวว่าอาสนะน้าน้ำมันทาเทา้าน้ำพึ่งเขี้ยวไฟข้าพเจ้าเชื้อเชิญท่านด้วยของควรข่าขอท่านจงรับของควรค่าของข้าพเจ้าเถิดดูก่อนโควินเรายอมรับของควรค่าของท่าน ที่ท่านพูดถึงนั้นท่านผู้ที่เราให้โอกาสแล้วจงถามความที่ท่านปรารถนาเถิดเพื่อประโยชน์เกื้อกูลในปัจจุบันและสุขในภพหน้าครั้งนั้นมหาโควินทประ ม, มีความดำริว่าเรามีโอกาสอันดีได้พบสนังกุมารพรมให้แล้วเราจะพึงถามทิฏฐธรรมิกัฏประโยชน์หรือสัมปารายิกัฏฐประโยชน์กับสุนังกุมารพรมดีหนอ ลำดับนั้นมหาโควินทรามมีความดำริว่าเราเป็นผู้ฉลาดในทิฏฐธรรมิกาถประโยชน์แม้ชนเหล่าอื่นก็ถามเรื่องนี้กับเราดังนั้นเราพึงถามสัมปรายิกาถประโยชน์กับสนังกุมารพรมเถิดลำดับนั้นมหาโควินทรามได้กล่าวกับสนังกุมารพรมว่าข้าพเจ้ามีความสงสัย จึงขอถามสนางกุมารพรมผู้ไม่มีความสงสัยในปัญหาของคนอื่นสัตว์ตั้งอยู่ในอะไรศึกษาในอะไรจึงจะถึงพรหมโลกอันไม่ตายดูก่อนพรามสัตว์ละความยึดถือว่าเป็นของเราในสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วอยู่โดดเดี่ยวน้อมไปในกรุณาไม่มีกลิ่นร้ายเว้นจากเมถุน สัตตั้งอยู่ในธรรมะนี้และศึกษาอยู่ในธรรมะนี้ย่อมถึงพรมโลกอันไม่ตายได้โควินทพรามกล่าวว่าข้าพเจ้าทราบต่อท่านว่าละความยึดถือว่าเป็นของเราคนบางคนในโลกนี้ละกองภูกระสมบัติน้อยใหญ่ละเครือญาติน้อยใหญ่ลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกบวชเป็นบรรพชิต ดังนี้ชื่อว่าละความยึดถือว่าเป็นของเราข้าพเจ้าทราบต่อท่านดังนี้ข้าพเจ้าทราบต่อท่านว่าอยู่โดดเดี่ยวคนบางคนในโลกนี้ย่อมเสพเสนนาสนะอันสงัดคือปา่าคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้าป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางหลีกออกเร้นอยู่ดังนี้ชื่อว่าอยู่โดดเดียว ข้าพเจ้าทราบต่อท่านดังนี้ข้าพเจ้าทราบต่อท่านว่าน้อมไปในการุณาคนบางคนในโลกนี้มีใจสหรัตะด้วยการุณาแผ่ไปสู่ทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันด้วยประการชนนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องตำ่ำเบื้องขวางในที่ทุกสถานมีใจสหรัตะด้วยการุณาอันไพบู์ เป็นมหักระตไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่พยาบาทแผ่ไปทั่วโลกโดยประการทั้งปวงดังนี้อยู่ดังนี้ชื่อว่าน้อมไปในกรุณาข้าพเจ้าทราบต่อท่านดังนี้แต่ข้าพเจ้าไม่ทราบคนมีกลิ่นร้ายข้าแต่พรมในสัตว์ทั้งหลายคนเหล่าไหนมีกลิ่นร้ายข้าพเจ้าไม่ทราบคนกลิ่นร้ายเหล่านี้ ท่านนักปราดขอจงบอกณที่นี้เถิดหมู่สัตว์อันอะไรร้อยแล้วย่อมเหม็นเน่าคลุ้งไปต้องไปอบายมีพรหมโลกอันปิดแล้วสนางกุมารพรหมตอบว่าความโกรธการพูดเท็จการโกงความประทุษร้ายมิตรความเป็นคนตรณีความเยื่หยิ่งความริษยาความมักได้ ความลังเลการเบียดเบียนผู้อื่นความโลภความคิดความประทุษร้ายความเมาและความหลงสัตว์ผู้ประกอบในกิเลสเหล่านี้จัดว่าไม่หมดกลิ่นร้ายต้องไปอบายมีโรงมโลกอันปิดแล้วมหาโควินทพรามจึงพูดว่าข้าพเจ้าพึ่งสร้างกลิ่นร้ายต่อท่านซึ่งพูดถึงอยู่กลิ่นร้ายเหล่านั้น บุคคลผู้อยู่กรองเรือนไม่พึงยำหยีได้ง่ายเลยข้าพเจ้าจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตข้อนี้หมายถึงสิ่งทั้งหมดที่เป็นกลิ่นร้ายเป็นสิ่งที่ผู้อยู่ครองเรือนละได้ยากดังนั้นท่านโควินทภรามจึงประสงค์จะออกจากเรือนเพื่อไปบวชเป็นบรรพชิตครั้งนั้นมหาโควินทภราม ท้ไปเฝ้าพระเจ้าเรณูถึงที่ประทับแล้วกราบทูลว่าบัดนี้ขอพระองค์จงแสวงหาผุโรหิตคนอื่นที่จะแนะนําราชกิจต่อพระองค์เถิดข้าพระพุทธเจ้าปรารถนาจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตข้าพระพุทธเจ้าขอเชิญพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่าเรณูขอพระองค์ทรงรับรู้เรื่องราชกิจเถิดข้าพระพุทธเจ้าไม่ยินดีในความเป็นปุโรหิต พระเจ้าเรณูตรัสว่าถ้าท่านพร่องด้วยกามทั้งหลายเราจะให้ท่านบริบูรณ์อันหนึ่งผู้ใดเบียดเบียนท่านเราผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินจะห้ามผู้นั้นท่านเป็นบิดาข้าพระเจ้าเป็นบุตรดูก่อนท่านโควินขอท่านอย่าสละเราเสียเลยข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความบุกร้องด้วยกามไม่มีใครเบียดเบียนข้าพระพุทธเจ้า ขพระพุทธเจ้าได้ฟังคําของท่านผู้ไม่ใช่มนุษย์เกี่ยวกับเรื่องกลิ่นร้ายซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ครองเรือนละเว้นได้ยากจึงไม่ยินดีในเรือนพระเจ้าเรณูตรัสถามว่าท่านผู้ไม่ใช่มนุษย์มีวันณะอย่างไรได้กล่าวข้อความอะไรกับท่านซึ่งท่านฟังแล้วจะละเรือนของเราพวกเราและชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นเล่าโควินทภรามตรัสตอบว่า เมื่อข้าพระพุทธเจ้าอยู่โดดเดียวเมื่อก่อนประสงค์จะเส้นสวงไฟสุมด้วยใบญ้าคาลูกโพรงแล้วขณะนั้นสนางกุมารพรหมมาจากพรมโลกปรากฏแก่ข้าพระพุทธเจ้าพรหมนั้นพยากรปัญหาแก่ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าฟังปัญหานั้นแล้วจึงไม่ยินดีในเรือนพระเจ้าเรณูตรัสว่าดูกนท่านโควิน ท่านพูดคำใดข้าพเจ้าเชื่อคำนั้นต่อท่านท่านฟังคำของท่านผู้ไม่ใช่มนุษย์แล้วจะประพฤติโดยประการอื่นอย่างไรข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นจะประพฤติตามท่านท่านโควินท่านเป็นครูของเราทั้งหลายแก้วไผทูลไม่มีฝ้าปราศจากราคีงามชั้นใดข้าพเจ้าทั้งหลายจักเชื่อฟังประพฤติอยู่ในคำสั่งสอนของท่านโควินฉันนั้น ถ้าท่านโควินจะออกจากเรือนบวดเป็นบรรพชิตแม้เราทั้งหลายก็จะออกจากเรือนบวดเป็นบรรพชิตอันหนึง่งคติอันใดของท่านคตินั้นจะเป็นของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยครั้งนั้นมหาโควินทพรามเข้าเฝ้ากษัตริย์ทั้งหกพระองค์นั้นถึงที่ประทับแล้วกราบทูลว่าบัดนี้ขอพระองค์ทั้งหลายจงสแสวงหาปุโรหิตคนอื่น ที่จะแนะนำราชกิจต่อพระองค์ทั้งหลายเถิดข้าพระพุทธเจ้าราธนาจะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตลำดับนั้นกษัตริย์ทั้งหกพระองค์ทรงคิดร่วมกันว่าธรรมดาพระรามเหล่านี้มักโลภทรัพย์และชอบสตรีเราทั้งหลายจะพึงเกลียกล่อมมหาโควินทพรามด้วยทรัพย์และสตรีแล้วเข้าไปหาบอกว่าท่านต้องการทรัพย์และสตรีประมาณเท่าใดข้าพระเจ้าทั้งหลายจะนำให้ ก็ไม่เป็นผลมหาโควินทพรามยังคงยืนยันจะออกบวชเป็นบรรพชิตเหล่ากษัตริย์ตรัสว่าถ้าท่านโควินจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแม้ข้าพเจ้าทั้งหลายก็จักออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตอันหนึง่งคติอันใดของท่านคตินั้นจักเป็นของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยมหาโควินทพรามทูลตอบว่าถ้าพระองค์ทั้งหลายจะละ ก, กาม อันเป็นที่ค้องของปุถุชนขอจงทรงปราบรความเพียนให้มัน่นประกอบด้วยกำลังขันติทางนี้เป็นทางตรงทางนี้ไม่มีทางอื่นยิ่งกวา่าประาส ธ, ธรรมอันสัตบุรุษทั้งหลายรักษาเพื่อบังเกิดในพรหมโลกเหล่ากษัตริย์ตรัสว่าถ้าอย่างนั้นขอท่านมหาโควินจงรออยู่สักเจ็ดปีก่อนพอล่วงเจ็ดปี แม้ข้าพเจ้าทั้งหลายก็จักออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตด้วยมหาโควินทูลตอบว่าขอเดชะเจ็ดปีช้านักข้าพระพุทธเจ้าไม่อาจรอพระองค์อยู่ได้ถึงเจ็ดปีใครจะรู้ชีวิตสัมปรารยาภพอันบุคคลต้องไปข้อนี้หมายถึงไม่มีใครทราบได้ว่าความตายจะมาเยือนในวันไหนใครจะรู้ชีวิต สัมภระยาภพอันบุคคลต้องไปอันบัณดิตควรกำหนดด้วยปัญญาพึงทำกุศลพึงประพฤติตรงมจันสัตว์เกิดมาแล้วที่จะไม่ตายไม่มีโดยว่าคาพระพุทธเจ้าได้สดับกลิ่นร้ายมาตอบรมผู้พูดถึงอยู่กลิ่นร้ายเหล่านั้นอันบุคคลผู้ครองเรือนไม่พึงยำยีได้โดยง่ายเลยคาพระพุทธเจ้าจึงจักออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิต เหล่ากษัตรินั้นตรัสว่าถ้าอย่างนั้นขอท่านโควินจงรออยู่สักหปีห้าปีสี่ปีสามปีสองปีหนึ่งปีเจ็ดเดือนห้าเดือนสี่เดือนสามเดือนสองเดือนหนึ่งเดือนต่อรองไปจนถึงเครื่องเดือนโควินทัพรามก็ยังบอกว่าช้าไปใครจะรู้ชีวิตจนที่สุดต่อรองสุดท้ายขอให้รออีกเจ็ดวัน ท่านโควินจึงตอบตกลงแล้วทูลว่าเจ็ดวันไม่นานข้าพระพุทธเจ้าจากรอพระองค์ทั้งหลายเจดวันครั้งนั้นมหาโควินทบรามเข้าไปหาพระมหาศาลเจ็ดคนและเหล่าข้าราชบริพารเจ็ดร้อยถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าบัดนี้ท่านทั้งหลายจงสแสวงหาอาจารย์อื่นซึ่งจักสอนมนแก่ท่านทั้งหลายเถิด เราปรารถนาจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพราหมณ์และเหล่าข้าราชบริพารเหล่านั้นกล่าวว่าท่านโควินอย่าบวชเป็นบรรพชิตเลยบรรพชิตมีสักน้อยมีลาบน้อยความเป็นพราหม่มีสักมากมีลาบมากมหาโควินพูดว่าท่านทั้งหลายอย่าได้พูดอย่างนี้บัดนี้เราเป็นเหมือนพระราชาของพระราชาสามัญทั้งหลาย เป็นดังพรมของพรามทั้งหลายเป็นดุดเทวดาของขห้าฤหบดีทั้งหลายเราจะละสิ่งทั้งปวงนั้นออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยว่าเราได้สดับกลิ่นร้ายมาจากพรมกลิ่นร้ายเหล่านั้นอันบุคคลผู้อยู่ครองเรือนพึงละได้ยากเราจึงจักออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพรามและเหล่าข้าราชบริพารจึงกล่าวว่า ถ้าท่านโควินจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแม้ข้าพเจ้าทั้งหลายก็จักออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยครั้งนั้นมหาโควินทพรามเข้าไปหาพัญญาสี่สิบคนผู้เสมอกันแล้วกล่าวว่าเธอคนใดปรารถนาจะไปยังสกุล ญ, ญาติของตนก็จงไปหรือปรารถนาจะสแสวงหาสามีอื่นก็จงสแสวงหา ฉันปรารถนาจะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตพัญญาทั้งหลายจึงตอบว่าท่านนั่นแหละเป็นญาติของดิฉันทั้งหลายผู้ต้องการญาติเป็นสามีของดิฉันทั้งหลายผู้ต้องการสามีถ้าท่านออกบวชแม้ดิฉันทั้งหลายก็จกออกบวชเช่นกันครั้งนั้นพอล่วงเจ็ดวันนั้นไปมหาโควินทพรามปลงผมและหนวดนุงภาคส า, าวพัท ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตและเมื่อมหาโควินทพรามบวชแล้วพระราชาเจ็ดพระองค์รามมหาสารเจ็ดคนเหล่าข้าราชบริพารเจ็ดร้อยพันยาสี่สิบคนเจ้าหลายพันพรามหลายพันคลือหะบดีหลายพันและนางสนมหลายพันลงผมและนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตตามมหาโควินทพราม ข่าวว่ามหาโควินทพรามแวดล้อมด้วยบริษัทนั้นเที่ยวจาาริกไปในบ้านนิคมและราชธานีทั้งหลายสมัยนั้นมหาโควินทภรามเข้าไปอย่างบ้านหรือนิคมใดในบ้านและนิคมนั้นท่านเป็นดังพระราชาของพระราชาทั้งหลายเป็นดังพรมของพราามทั้งหลายเป็นดังเทวดาของขฤรืห บ, บดีทั้งหลาย สมัยนั้นมนุษย์เหล่าใดพลาดพลัง้งหรือล้มมนุษย์เหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่าขอนอบน้อมแด่ท่านมหาโควินทภรามขอนอมน้อมแด่ท่านปุโรหิตของพระราชาเจ็พระองค์มหาโควินทภรามมีใจสหรัตคตาด้วยเมตตาด้วยกรุณาด้วยมุทิตาด้วยอุเบกขาไม่มีเวรไม่พยาบาท แผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันด้วยประการชนนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องต่ําเบื้องขวางในที่ทุกสถานมีใจสหรคตะด้วยเมตตาด้วยกรุณาด้วยมูทิตาด้วยอุเบกขาอันไพ่บู์เป็นมหาคตะไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่พยาบาทแผ่ไปทั่วโลกโดยประการทั้งปวงอยู่ และแสดงหนทางแห่งความเป็นสหายกับพรมในรมโลกแก่สาวกทั้งหลายสมัยนั้นบรรดาสาวกของมหาโควินทพรามซึ่งรู้คำสั่งสอนทั่วทั้งหมดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงสุคติรมโลกผู้รู้คำสั่งสอนทั่วทั้งหมดหมายถึงผู้ได้สมาบัติแปดและอภิญญาหกบรรดาสาวก ผู้ที่ไม่รู้คำสอนทั่วทั้งหมดหมายถึงผู้ไม่รู้สมาบัติแม้เพียงอย่างเดียวเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกบางพวกเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นประณีมิตวสวตีบางพวกเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นนิมมานรดีบางพวกเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นดุสิตบางพวกเข้าถึงชั้นยามาบางพวกเข้าถึงชั้นดาวดึง บางพวกเข้าถึงชั้นจาตุมหาราชิกาบรรดาสาวกผู้ที่บำเพ็ญกายต่ำกว่าเขาทั้งหมดก็ยังได้เกิดเป็นคนทันอย่างกายคนทันให้บริบูรณ์ได้ด้วยประการชนี้แลบรรพชาของคุณระบุตรรเหล่านั้นทั้งหมดไม่เปล่าไม่เป็นหมันมีผลมีกำไรเมื่อปัญจสิกาเทพบุต ร, ร เล่าเรื่องทั้งหมดจบจึงได้กราบทูลว่าพระผู้มีพระภาคยังทรงระลึกถึงข้อนั้นได้อยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนปัญจสิกาเรายังระลึกได้อยู่สมัยนั้นเราเป็นมหาโควินทะพราหมเราแสดงพรหมจันทร์นั้นว่าเป็นหนทางแห่งความเป็นสหายของพรหมในพรหมโลกแก่สาวกทั้งหลาย ปัญจสิกขาแต่ว่าพรหมจันทร์นั้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพิทาวิราคะนิโรธะอุปสมะอภิญญาสัมโพธะนิพพานะแต่ย่อมเป็นไปเพียงเพื่อบังเกิดในพรหมโลกดูก่อนปัญจสิกขาส่วนพรหมจันทร์ของเรานี้ย่อมเป็นไปเพื่อนิพพิทาโดยส่วนเดียวเพื่อวิราคะนิโรธะอุปสมะ อภิญญาสัมโพธะนิพพานะหรือนิพพานพรหมจรรย์เป็นไปเพื่อนิพพิทาโดยส่วนเดียวพรหมจรรย์ น, นี้เป็นชไหนคืออัตถังคิกรรมะเป็นอริยะนี้เองคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ ดูกนปัจจสิกะรมอาจารณีแลย่อมเป็นไปเพื่อนิพิธาโดยส่วนเดียวเพื่อวีราคะนิโรธะอุปสมะอภิญญาสัมโพธะนิพานะดูก่อนปัจจสิกะก็บรรดาสาวกของเราที่รู้คําสั่งสอนทั่วทั้งหมดย่อมทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่บรรดาสาวกผู้ไม่รู้คำสั่งสอนทั่วทั้งหมดบางพวกเป็นอบปติกะพอสิ้นโอรามพากิสังโยชทั้งห้าบริณิพาในภพนั้นไม่กลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดาก็มีข้อนี้หมายถึงสําเร็จเป็นพระอนาคามีแล้วเกิดเป็นอบปติกะบางพวกเป็นสกทาามี รอสิ้นสังส่งยศสามอย่างเพราะราคะโทสะและโมหะเบาบางกลับมายังโลกนี้เพียงครั้งเดียวและจักทรรที่สุดทุกได้ก็มีบางพวกเป็นพระโสดาบันราะสิ้นสังส่งยศสามอย่างมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงมีอันจะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้าก็มีดูก่อนปัญจสิกขาด้วยประการชนี้แล บรรพชาของกุลบุตรเหล่านี้ทั้งหมดไม่เปล่าไม่เป็นหมันมีผลมีกำไรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วปัญจสิกขขะคันธันพาบุตรยินดีชื่นชมอนุโมทนาพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำประทักศิลนแล้วหายไปณที่นั้นเอง จบมาหาโควินทสูร